พะพุทธรูปที่ก็ปั้นหรือหลอ่อหรือไปแกะสลักมันจากหินจากไม้ต่างๆจากวัดสดุต่างๆมาเป็นรูปเคารพแทนองค์พระเจ้ามันก็เป็นเขาก็พยายามจะสื่อความหมายที่ออกมาทำที่ออกมาจากใจของพระพุทธองค์ทำมันอยู่ทำมันเป็นใจใจเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแตง่ง ไม่อาจปรุงแต่งได้แต่เวลาจะไปสอนคนอื่นเนี่ยมันต้องปรุงแต่งแม่ตัวเองอ่ะจะเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วพระเจ้ฤฤาพระหลานั้งหลายท่านเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วแต่มันจะไปสอนคนอื่นนะจะสอนอยังไงก็ต้องปรุงแต่งนี่ปรุงแต่งออกมาก็าปรุงแต่งออกมาหลากหลายปรุงแต่งเอาไปตัวหนังสือที่พระท่านพยายามจะช่วยทําหนังสือเนี่ยให้ออกไปให้อา่านให้เข้าใจถึงกลับมาถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งคือ ทำเป็นตัวหนังสือออกไปลยแล้วอ่านจากตัวหนังสือําย้อนกลับเข้ามาให้มาเป็นใจที่ไม่ปรุงแตง่งทําเป็นรูปสมมุติต่างๆอย่างเนี้ยที่รูปพุตตเจ้าปางปฐมปรเทศนาเนี่ยก็เพื่อให้เห็นแล้วเนี่ยเห็นเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยทํายังไงถึงจะย้อนกลับเข้ามาถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งได้ถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือปริศนาธรรมที่เขาทาเป็นรูปหนังพุทธเจ้า หรือว่าคมพีรพระไตรปิฎกแม้แต่คำภีพระไตรปิฎกแม้แต่หนังที่ก็ทํามาเป็นหนังพุทธเจ้าไม่ว่าจะทําเป็นหนังการ์ตูนเป็นหนังที่แสดงหรือทุกอย่างที่ออกมาเป็นสื่อทุกชนิดอะให้เราได้รับรู้อ่ะให้สามารถรับรู้ได้นะคือเพื่อจะสื่อกลับเข้าไปหาใจที่ไม่ปรุงแต่งแต่เวลาสอนเนี่ยคือคือพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเข้าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วจใจที่สิน้นความปรุงแต่งแล้วแต่เวลาจะสอนมันก็ต้องปรุงแต่งออกมา เป็นภาษาพูดภาษาเขียนออกมาเป็นรูปออกมาเป็นนามนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ง่ายแล้วเราอ่านพระไตรปิฎกอ่านพระตไตรปิฎกซึ่งเป็นตัวหนังสือมันจะต้องไปจบแค่ตัวหนังสืออ่านพระไตรปิฎกที่เป็นตัวหนังสือมันจะต้องไปจบที่ใจที่ไม่ปรุงแต่งดูหนังพระเจ้ามหาศัตตดาโลกดูหนังการ์ตูนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า มันจะไม่ได้ต้องจะใช่ไหมจบไปกับหนังแต่มันจะต้องมาจบที่ใจที่ไม่ปรุงแต่งอ่านหนังสือธรรมะของพระแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์โอวาททำมันจะต้องไม่ไปจบที่ตัวหนังสือต้องมาจบที่ใจที่ไม่ปรงแต่งที่ไม่อาจปรงแต่งได้ดูรูปพระพุทธเจ้าที่เขาวาดหรือที่เขาแกะไว้ตางต่างๆจะ ต, ต้องไม่จบที่รูปพระพุทธเจ้า ต้องมาจบที่ใจที่ไม่โปรงแต่แม่แต่ที่เขาเป็นให้เห็นเป็นรูปธรรมเป็นนมามธรรมที่พระเจ้าที่เขาทำเป็นภาพต่างๆทำเป็น ทำแสดงต่างๆที่พระเจ้าเช่นว่าตอนที่พระเจ้าลอยถาดหรือลอยขันทองคําทวนกระแสน้ําขึ้นไปแล้วปรากฏว่าอธิษฐานตอนที่จะตัสรูปเป็นพระเจ้าลอยถาดไม่ลอยขันทองคําทวนกระแสน้ําขึ้นไปแล้วก็ไ ห, หลไปตามกระแสน้ําแต่ถาดหรือขันทองคําเนี่ยลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไปหาต้นน้ํา แล้วก็จมลงไปรวมกับถาดทองคําหรือขันทองคําของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆหมดเลยเป็นเพราะอะไร อ, ะอย่างนี้ยถ้าเราเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างที่เขาเขียนเป็นหนังสือออกมาเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเนี่ยล้วนออกมาจากใจที่ไม่ปรุงแต่งเพื่อให้เราเนี่ยอ่านแล้วเราเห็นแล้วเนี่ยสัมผัสแล้วเนี่ยมันกลับเข้าไปถึงใจที่สิ้นความปรุงแต่ง ที่สิ้นความปรุงแต่งไปยังไงก็ได้ขอให้ถึงใจที่สิ้นความปรุงแต่งให้พ้นจากใจที่ปรุงแต่งให้พ้นจากความปรุงแต่งให้พ้นจากสังขารที่ปรุงแต่งอืมตอนนีเเ้เอาหนาอุจจาระมาสลาโลกก่อนหรือว่าในในปัตติเบดก่อนที่พระเจ้าลอยถาดลอยขันทองคําเนี่ยก็คือลอยตอนแรกเนี่ยก็ลอยไปตามกระแสน้ําไหลถา หรือขันทองคำเนี่ยก็คือหมายถึงขันห้าขันห้าถ้าใครปล่อยให้ขันหน้าเนี่ยมันลอยไปตามกระแสน้ำไหลเนี่ยมันก็ไปตามกระแสโลกไปตามกระแสที่ตาเห็นมันก็ปล่อยใจไปตามสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิดลด้นลู่รสกายสัมผัสสิ่งใดใจมันมีความรู้สึกอย่างไร โล่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างสว่างหรือไปสัมผัสอะไรที่ไม่ถูกใจสัมผัสสิ่งใดรับรู้สิ่งใดเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดสัมผัสสิ่งใดที่ถูกใจมันก็ไหลไปไปพอใจกับสิ่งเหล่านั้นติดไปถ้ามันไปไปเห็นไปได้ยินไปสัมผัสสิ่งใดทางใจมันไม่ถูกใจมันก็ไหลไปดิ้นรนผักใส เรียกว่าติดสองฝั่งติดรักติดชังติดรักติดชังวิธีที่จะทำให้ตัดสู้เป็นพุทธเจ้าได้คือทวนกระแสจะเห็นว่าขันหรือขันน้ำเนี่ยหรือถาดเนี่ยขันท้องคำเนี่ยก็คือแทนขันหน้าเนี่ยคือต้องทวนกระแสของขันห้าไม่ปล่อยให้ขันห้าเนี่ยมันไหลไปตามกระแสทวนกระแสเข้าหาอะไรทวนกระแสเข้าหาต้นน้า จึงเห็นว่าพุทธเจ้าอธิษฐานว่าถ้าตําเ็จเป็นพุทธเจ้าแล้วขอให้ขันขันขันทองคำหรือถาทองคำเนี่ยลอยทวนกระแสน้ำได้ก็ทวนกระแสเข้าไปไหนอ่ะทวนกระแสเข้าไปหาต้นน้ำที่พุทธเจ้าทั้งหลายตัสรู้คือเข้าไปหาใจเพราะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันก็ออกมาจากไหนอ่ะความปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งหมดเนี่ย ทั้งวิญญาณขันการรับรู้ต่งตางๆจะผูกยึดกายใจความจําได้ไหมายรู้ต่งตางๆไม่ออกจากไหนมันก็ออกมาจากใจที่ไม่ปรุงแต่งจนท่านเรียกว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งร่างกายความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ถ้าขาดจิตเดิมแท้หรือใจแท้หรือวิญญาณแท้ที่ไม่ปรุงแต่งแล้วจะต้องถึงแก่แปกดับถึงแก่ความตายหรือเรียกชาวบ้านเรียกว่าวิญญาณออกจากร่าง วิญญาณเนี่ยชาวบ้านแปลว่าผีเพราะว่ามันยังเป็นความยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่สิ้นความวิญญาณที่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นแล้วมีแต่ความว่างเปล่าว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากความปรุงแต่งถ้าวิญญาณออกจากร่างแล้วร่างกายส่วนที่ปรุงแต่งจิตใจส่วนที่ปรุงแต่งก็ต้องแตกดับเพราะฉะนั้นอาจารพูดกล่าวได้ว่าร่างกายที่เป็นกันห้าเวทนาสัญญาตังขาดวิญญาณความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ว่าจะคิดละเอียดรวดเร็วปานใดก็ตามเกิดดับเร็วขนาดถึงขั้นปรมาูของจิต ล้วนเกิดมาจากใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วก็ดับหายกลับไปสู่ใจที่ไม่ปรุงแตง่งหรืออาจจะกล่าวได้ว่าก่อนเกิดก่อนมีก่อนปรากฏก็ไม่เกิดไม่มีไม่ปรากฏไอ้สิ่งที่ไม่เกิดไม่มีไม่ปรากฏนั่นแหละคือใจแล้วก็มีแล้วเกิดแล้วปรากฏแล้วก็ดับหายไปก่อนมีก็ไม่ไมีมีแล้วก็ดับหายไปกลับคืนไปสู่ความไม่มีใจที่ไม่มีอะไรปรากฏนั่นแหละคือ ต้นน้ําหรือต้นจิตนั้นกิริยาการทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากใจที่ไม่มีความปรุงแต่งใดๆแล้วปรุงแต่งขึ้นมาแล้วระดับหายกลับไปสู่ต้นน้ําคือต้นจิตที่ไม่ปรุงแต่งดังนั้นขันห้าหรือขันทองคำพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงหลายทวนกระแสกลับไปสู่ต้นน้ําแล้วก็จมหายไปไปรวมกับขันห้าที่เป็นขันทองคําของพระพุทธเจ้าที่สิ้นความปรุงแต่งแล้วทั้งหมด ไปอยู่ที่ต้นน้ําคือต้นจิตหรือต้นใจจึงเป็นที่มาของหลวงปู่มั่นที่ว่ารู้ต้นจิตจิตต้นพ้นโหยหวนคือพ้นทุกข์รู้ปลายจิตก็จะผิดทันทีรู้ไปไปลายจิตตรงออกไปข้างนอกไหลไปตามกระแสน้ําก็จะผิดทันทีแต่ถ้าทวนกระแสเข้ามารู้ต้นจิตจิตต้นพ้นไม่หวนคือทวนเข้ามากระแสเข้ามาหาใจที่ไม่ปรุงแต่งตอนนี้ความปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยละเอียดที่สุดก็คืออะไร ท่านจึงบอกว่าให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจไปวางอยู่ที่ใจที่ไม่ปรุงแต่งสังเกตอยู่ที่ใจที่ไม่ปรุงแต่งนี่แหละเพราะอะไรไม่ว่าเราจะไปรู้อะไรต่างๆมันก็ต้องเอามาคิดปรุงแต่งอยู่ในใจรู้อะไรทางหูก็ต้องคิดเอามาปรุงแต่งในใจรู้อะไรทางจมูกก็มาคิดปรุงแต่งในใจรู้อะไรทางลิ้นก็คิดเอามาคิดปรุงแต่งในใจไปสัมผัสสิ่งไรก็เอามาคิดปรุงแต่งในใจไปรู้ใจที่โปร่งโล่งเบาสบายคือเวทนาเนี่ยแหละสุขเวทนา รู้ใจที่ไม่โปรุไม่โล่งไม่เบาสบายที่เป็นทุกเวทนารู้ใจที่นิ่งเฉยสงบว่างที่เรียกว่าอทุกข์ขมสุขเวทนาหรือเรียกว่าสุขเวทนาก็ได้ถ้าเราถูกใจมันที่นิ่งเฉ ย, ยที่สงบที่ว่ามันก็เป็นสุขเวทนาถ้าเราไม่ถึง ข, ขั้นถูกใจไม่ถูกใจมันก็เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาแต่เราไปรู้สิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นหรือว่าเป็นอทุก ข, ข์ขมสุขเวทนาทั้งภายนอกและภายในร่างกายจิตใจของเรา รั้วแตเอามาปรุงแต่งในใจที่ไม่ปรุงแต่งเั้นถ้าเราเนี่ยมีสติตั้งตใจสังเกตอยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจที่ไม่ปรุงแต่งเราก็จะเห็นว่าสิ่งเกิดดับมันเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่ปรุงแต่งนี่เพระนั่นเนี่ยถ้าเราทงจิตออกนอกไปตามกระแสไปเรื่อยเวลาเราไปตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรหรือว่าได้กลิ่นริมรสสัมผัสหรือวรู้อาการทังใจ รู้อาการทางกายรู้อาการทางใจที่มันโปร่งโล่งเบาสบายไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายถ้าเราส่งไปตามกระแสแบบนี้ก็เรียกส่งจิตออกนอกเราไม่ทวนกระแสเข้ามาหาใจมาสติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตบที่ใจละที่ใจไปล่วางที่ใจตลอดเวลาสติตั้งที่ใจแต่ที่เขาบอกว่ามีสติมีสติอยู่กับการงานที่ทําเนี่ยนั่นคือเป็นสติในทางโลกแต่สติที่พ้นทุกข์คือสติตั้งที่ใจหรือสติมาตั้งพิจารณาอยู่ที่ร่างกายของเรา ว่าร่างกายไม่เที่ยงแล้วก็ตติตั้งที่ใจเห็นว่าจิตไม่เที่ยงแล้วเข้าไปถึงใจที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะปล่อยวางสังขารคือร่างกายและปล่อยวางสังขารจิตที่ละเอียดที่ตุติมาปรุงแต่งปรากฏเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่ปรุงแต่งจึงพอสิ้นความหลงยึดบัานถือบั่นจิตที่ปรุงแต่งไม่แต่ละเอียดที่ตุดจึงพบใจที่ไม่ปรุงแต่งก็คงรู้ก็ไม่ได้เลยมันก็แค่รู้หรือว่าสักแต่ว่ารู้หรือรู้ซื่อๆอย่างที่มันเป็นมันก็ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเลยสิ่งเกิดดับเนี่ยเกิดดับอยู่ในความไม่ปุงแต่งกันเลยพบใจนั่นเองก็คือเมื่อเราอ่านเราเข้าใจได้ใจอย่างเงี้ยเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกทั้งเล่มเนี่ยเราจะเข้าใจหมดเลยว่าตอนใดเขาเขียนไว้อย่างเนี้ยมันหมายถึงอะไรตรงไหนมันจะหมายถึงไหนทุกอย่างต้องความหมายนั้นต้องเข้าเข้าสู่ใจที่ไม่ไม่ยึดถือสิ้นความยึดมั่นถือมั่น นั้นไม่ว่าจะอ่านพระไตรปิฎกตรงไหนเนี่ยพุทธเจ้าสอนทั้งหมดคือต้องเข้าถึงใจที่สิ้นความดงยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งมวดและไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งแม้แต่ใจที่ว่างเปล่าด้วยคือสิ้นความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยคือไม่ให้เนื้นันทินันทิคือเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนันทินันทิราคะสหกตาตัตตะตัตตราพินันทินีเซยะทิทางกามะตันหาวิภาวะตันหา การตันหาเพราะว่าตันหาวิภาะวะตันหามาจากตันหาทั้งหมดมาจากนันทิคือปล่อยให้ใจตามกระแสไปเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไปรักไปชังเนี่ยสิ่งใดที่ถูกใจและไม่ถูกใ จ, กใจทั้งตาหูจมูกลินกายใจเรียกว่านันทิเนี่ยปล่อยให้ใจเพลินไปไหลไปตามกระแสไม่ทวนกระแสก็าหาใจที่ไม่ปรุงแต่เนี่ยจนสิ้นนันทิสิ้นนันทิคือสิ้นความหลง ปล่อยใจไปตามกระแสทวนกระแสเขาหาใจที่สักตวัรู้เป็นผู้รู้แค่รู้สักตวัรู้เนี่ยก็จะดับตันหาได้เฉะนั้นตันหาก็มาจากนันทิเป็นต้นเหตุนันทิก็คือหลงส่งจิตออกนอกมั้นหลงท่งจิตออกนอกก็คือปล่อยให้มันปรุงแต่งไปสังขารปรุงแต่งไปเอติมันปล่อยไปได้เพราะว่าเราหลงเอาตัวเราไปเป็นสังขารปล่อยให้หลงว่ามีตัวเราเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวตนของเรา เอาสังขารปรุงแต่งเป็นตัวเราเอาตัวเราไปสังขารแล้วก็ปล่อยให้มีความนันทิเอาตัวเราไปเพลาลักเพลินชังเพลาะรักเพลินชังสิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้วกายใจในทุกขณะปัจจุบันดังนั้นสรุปแล้วตัณหาเนี่ยมาจากนันทินันทิก็มาจากเนี่ยความหลงยึดถือในความปรุงแต่งหรือเอาตัวหลงเอาตัวเราไปปรุงแต่งคือความคิดนั่นเองความคิดปรุงแต่งเพราะว่าไอตัวที่ปรุงแต่งละเอียดที่สุดก็คือความคิดที่มัน เอาคิดดิ้นลนคิดค้นหาคิดพยายามคิดหาเหตุหาผลหาทางพ้นทุกข์คิดดิ้นลนค้นหาทางปนิพัน์คิดดิ้นล่นค้นหาอยากถึงอยากได้อยากเป็นคิดดิ้นล่นค้นหาคิดคิดคิดเป็นความพยายามพยายามพยายามดิ้นลนกระเสือกกระสนล้วนแต่เป็นความปรุงแต่งนั่นแหละผลจากความปรุงแต่งก็เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยันั้นเราก็จะอ่านพระไตรปิฎกอ่านโอวาทธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระรหันได้หมดตอนนี้มาถึงพระพุทธรูปที่ท่านกล่าวคือปางปฐมเทศนา ถ้าสเกตไหมพระพุทธรูปปาปงปฐมเจศดาเนี่ยคือมือของพรุทธรูปเนี่ยสองมือมือถ้าจำไม่ผิดอะพระหัดขวาเนี่ยเอ้านิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่โป้เนี่ยอจีบกันเป็นวงกลมแล้วก็สามนิ้วสามนิ้วชี้ขึ้นนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเนี่ยเอานิ้วนิ้วอะไรนะนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยสามนิ้วนี่ชี้ขึ้นแล้วก็นิ้วชี้กับแม่แม่โป้เนี่ยจีบกันเป็นวงกลม เรียกว่าปางโอเคขาเรียกคนเรเรียกว่าปางโอเคมือขวาเนี่ยเป็นปางโอเคมือซ้ายเนี่ยเป็นมือที่มาเกี่ยวกับมือขวาถ้าจำไม่ผิดจะเป็นนิ้วกลางมาเกี่ยวที่มือขวามาเกี่ยวมือขวาไว้แล้วมือซ้ายเนี่ยหันพระหัตต์เนี่ยเข้าหาพระอุระหันก็หาพระองค์เองหันก็หาละหันก็หาตัวแต่มือขวาเนี่ยที่จีบเนี่ยหันออกนอกตัว หานออกนอกหันอ ก, อ ma, ออกนอกพระองค์หันนอกนอกร่างกายพระองค์แต่มือซ้ายเนี่ยหันเข้าเข้าหาร่างกายพระองค์สองมือเนี่ยเกี่ยวกันเกี่ยวกันด้วยที่นิ้วกลางตัวเนี่ยเมื่อเข้าใจทำเมื่อลูกตาเข้าใจทำลูกตาเห็นอะไรก็เข้าใจไปเลยเพราะมันเข้าใจที่ใจเข้าใจด้วยใจพอเห็นปางนี้ปุ๊บก็เข้าใจ ด้วยใจว่าคําสอนปางปฐมเจตนานี่ก็มาจากไหนมาจากที่พระเจ้าตรัสสอนกับปัญจวัคคีทั้งห้าเรื่องธรรมจักรกัมวันตสูตรเรื่องธรรมจักรกัมวันตสูตรธรรมจักรกัมมันตสูตรพระพุทธเจ้าสอนว่าทางที่พระองค์เดินทางผิดมาเนี่ยเดินทางผิดมาแล้วอย่าให้ปัญจวัคคีทั้งห้าดำเนินตาม คือการมาสาักสุ ข, ขาริการนโยคือการผัวพันสยบติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเจตสีธรรมอารมณ์คือสิ่งใดชอบสิ่งใดพึงพอใจก็ติดใจยินดีเรียกว่าจิตจิตใจนั้นก็สยบสยบอยู่กับสิ่งนั้นเรียกว่าการมาสุ ข, ขาริการนโยติดติดใจพึงพอใจติดใจยินดีในการมาสุ ข, ขาริการนโยอยากได้อยากเอา อยากถึงอยากได้อยากเอาอยากเอาเข้ามาอยากเอาเข้ามาอยากเอาเข้ามาหาตัวเนี่ยอยากเอาเข้ามาหาตัวอยาไปคือถูกดูดถูกสิ่งนั้นดูดใจของเราเรามีแต่ความอยากอยากอยากอยากในสิ่งนั้นคือมันดูดใจของเราไปได้แล้วแล้วก็นี่คือมือข้างหนึ่งก็เลยหันก็หาตัวอีกมือข้างหนึ่งเนี่ยผลักออกนอกตัวก็หมายถึงว่าสิ่งใดเนี่ยที่กระทบในทุกขณะปัจจุบันถ้าไม่พอใจไม่ถูกใจ ก็จะดิ้นหล่นผักใส่หงุดหงิดลาคาญอยากให้มันหายไปไม่อยากให้มันอยู่ด้วยถ้าไม่สามารถที่จะดิ้นหล่นผักใส่ก็อยากจะเอาตัวเราหนีพ้นจากสิ่งนั้นให้ได้อยากเอาใจเราให้หลุดพ้นจากสิ่งนั้นให้ได้ดิ้นหลน่นแม้แต่ว่าดิ้นหล่นอยากจะเอาใจอะนี่ออกจากทุกไปหาความสุขตรงนี้สําคัญมากนะพอจะถึงตอนจบเนี่ยที่ดิ้นหลน่นอันสุดท้ายคือดิ้นหล่นที่จะเอาใจออกจากทุกข ไปหาความสุขนี่คือตอนจบสุดท้ายต้องอ่านใจตรงนี้ให้ขาดถ้ายังดิ้นรนที่จะออกจากทุกข์ไปหาสุขอันเนี้ยยังติดอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าสิ่งใดไม่ถูกใจไม่ชอบใจในขณะปัจจุบันแม้แต่สุดท้ายตอนจบเนี่ยมันก็ยังติดอยู่ยคือติดที่ดิ้นรนที่จะออกจากทุกข์ไปหาสุขที่สีละพ็นอยู่ตอนนี้คือสีระพ็นอตอนนี้คือ ไม่พร้อมใจมันที่จริงไงมันมีความอึดอัดอยู่ลึกๆ น, น้อยๆ ใ, ในใจตรงนี้ที่มันอยากจะออกเือสิ้นสุดลงเดี๋ยวนี้จบลงเดี๋ยวนี้จบอะไรคือจบที่จากทุกเสียทีอยากจะออกจากทุกเสียที ถ้าใจยังจะออกจากทุกข์ดิ้นรนออกจากทุกข์๋ยวนี้ยังไม่พบความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือมันจบที่ใจเดี๋ยวนี้รู้เท่าทันใจที่ดิ้นรนที่อยากจะออกจากทุกข์ไปหาความสุขมันจบลงที่ใจเดี๋ยวนี้เลมันไม่ใช่ว่าเพราะว่าเรายังไม่พร้อมมีเหตุนะนัประการหลายอย่างยังไม่พร้อมที่จะดิ้นรนออกที่จะออกจากทุกข์ปวางทุกข์ ในครั้งนี้มาเลยยังมีความผึดอัดขับข้องใจลึกๆเดือดในใจลึกๆแท้จริงอะ่ะมันไม่ใช่อ้างเหตุการณ์ภายนอกไม่ใช่อ้างเหตุการณ์ใดๆเลยมันอยู่ที่ใจมีสติปัญญาเห็นว่าเรายังมีการดินน้นรนผักใสทุกแล้วก็ถูกดูดเข้าไปหาสุขถ้ายังดูดยังผักอยู่มันก็เหมือนมือสองมือเนี่ยปางปฐมเดชะที่ว่า มือข้างหนึ่งบาดข้างหนึ่งความกว่าตัวเองอีกบาดข้างหนึ่งผักใสกไว้นอกตัวเองมันก็เกี่ยวกันให้เป็นทุกข์นี่มันเกี่ยวกันเกี่ยวถ้าจำไม่ผิดเกี่ยวที่นิ้วกลางแตะที่นิ้วกลางคือใจนิ้วกลางเปรียบเหมือนมันเกาะเกี่ยวที่ใจแล้วก็ดับที่ใจพ้ทุกที่ใจในปัจจุบันนี่เนี่ยที่ทนายถามปัจจุบันใช่ไหมอะไรเรียกว่าปัจจุบันธรรม นี่ไงมันจบลงที่ปัจจุบันธรรมคือสิ้นการเกาะเกี่ยวในปัจจุบันนี้เลยสิ้นที่ใจจบที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยว่างที่ใจไม่ใช่อ้าเหตุภายนอกใดๆมันถ้าไม่รู้เท่าทานทั้งดูดทั้งผักทั้งดูดทั้งผัดถูกดูดก็ไม่รู้เท่าทานใจถูกดูดไปแล้วก็ไม่รู้เท่าทาน ใจเข้าไปดิ้นนผักไสเงินงิดกับจริงใดดิลนจะออกจากอยากจะออกจากอะไรไปหาอะไรก็ยังไม่รู้ตัวไม่รู้เท่าทันความหลงนี่ยเป็นอวิชชาหรือเป็นโมหะเป็นความหลงมันก็เลยเนี่ยเป็นนันธิเนี่ยติดอยู่นี่นันทิเพลินติดอยู่กับสิ่งนั้นมันหลุดไม่ออกเหมือนเหมือนมือสองข้างเกาะเกี่ยวกันนี่เป็นนันธิเพลินติดติดอยู่ในนั้นหลงติดอยู่ในนั้นเรียกว่านันธิหลงติดอยู่ในนั้ น, น, น, น, น, นจะเป็น นันทิราคะสหกตาตตตะตตระาพินันตีเสยยาี่ตังกามตนะภาวะตนาวิภาวะตัหาเนี่ยมาเลยกาเป็นการดิ้นเลยทีนี้ดิ้นหลนทะยานยาวเพราะมันติดไงมันนกเนี่ยมันบินบินอยู่ดีดเนี่ยมั่นก็บินนั่นมันสบายสบายถาไม่รู้ติดอะไรเพราะมันโดนตะข่ายติดตะข่ายปุ๊บมันดิ้นใหญ่เลยทีนี้หรือสัตว์อะไรก็ตามมันวิ่งมามันอยู่ดีอดีพอมันรู้ว่ามันติดไอ้อะไรนะไอ้ที่ดักจับอะพอมันรู้ที่ติด ติดที่ดักสักแนมันดิ้นเลยทันทีเนี่ยคือความที่ติดนั่นแหละพอติดปุ๊บทางหลักทางจังดิ้นเลยแล้วเนี่ยเป็นนี่เนี่ยเป็นปัญหาทันทีเพราะติดนี่นเอง น, นันทีเนี่ยไปติดเข้าไปติดเข้าเนี่ยสิ่งที่ติดได้มีแต่สังขารเท่านั้นถึงติดได้ใจไม่อาจติดอะไรได้รู้เท่าทันสังขารปล่อยวางสังขารละสังขารไม่ติดสังขาร ไม่ยึดถือเอาสังขารเป็นตัวเราปล่อยวางสังขารหมดก็พบใจเป็นใจที่ไม่อาจสังขารได้ไม่อาจติดอะไรได้สิ่งที่ไปติดอะไรได้และจะดิ้ล้นออกจากอะไรได้ต้องเป็นสังขารเท่านั้นใจที่ไม่สังขารไม่อาจติดอะไรได้และไม่อาจปล่อยวางอะไรได้ไม่ใช่ใช้ความพยายามจนหลุดออกจากที่ติดไม่และไม่ใช่มีเหตุการณ์ใดๆเลย ตภาวะภายนอกหรือภายในอะไรใด้ที่ทำให้เราเนี่ยติดอยู่เป็นเพราะยึดถือสังขารหลงสังขารเอาตัวเราไปเป็นสังขารได้มาจึงไปติดอะไรได้และเอาตัวเราเนี่ยไปดิ้นรนที่จะออกจากอะไรได้ถ้าเป็นใจที่ไม่ไม่สังขารแล้วไม่อาจจะดิดน้นรนไม่อาจจะปรุแตง่งไม่อาจจะหาหนทางไม่อาจจะพยายามอะไรได้และไม่อาจจะไปติดอะไรได้และไม่อาจจะวางอะไรได้เพราะการเข้าถึงความจริงอันนี้ มันจึงไม่ยึดเือเอาสังขารมาเป็นเราเป็นตัวเราไม่หลงเอาตัวเราไปเป็นตัวสังขารมั video, ม ions, นจะปล่อยวางสังขารทุกขณะปัจจุบันที่มันคิดมันนึกมันตึกมันตอนปรุงแต่งขึ้นมาทุกขณะปัจจุบันด้วยสติปัญญาของเจ้าตัวก็จะเห็นว่าสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ยึดเอาสังขารเป็นตัวเราถ้าเราในทุกขณะจิตปัจจุบันเนี่ยไปหลงเอาไอ้ความคิดความนึกความตึกความตองความปรุงแต่งความพยายามความสงสัยความดิ้นรนกันค้นหาหาถูกหาเหตุอาผลหาความเข้าใจ พยายามจะดิ้ดลนเพื่อจะออกจากอะไรให้ไปถึงอะไรเห็นว่ามันเป็นสังขารสังขารเป็นสิ่งปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ใช่เราสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวของเราเราแท้แท้จริงเป็นใจที่ไม่อาจสังขารได้เป็นจิตเดิมเถิเดิมเดิแท้วิญญาณนักเดิมเดิแท้ไม่อาจสังขารได้ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่อาจคิดนึกได้ไม่อาจพยายามได้ไม่อาจแทกแซงอะไรได้เราก็มันด่าดันสอนตัวเราว่ามันทําไมโง่แบบนี้วะ ไปหลงเอาตัวเราไปเป็นสังขารหลงเอาสังขารน่เป็นตัวเราที่ปรุงแต่งได้มากี่กับกี่กันแล้วยังโง่ไม่ไม่หายไม่เลิกสักทีมันทํำไมโง่แบบนี้นี่ด่ามันเข้าดุมันเข้าไปบ่อยเข้ามันก็หายโง่ไอเรียกว่าดับเอาวิชาหายโง่คือเอาวิชาเนี่ยมันดับเอาวิชาได้ไปเป็นวิชาคือเออฉลาดรู้แจ้งคือหายโง่ไปยึดเอาสังขารน่ะเป็นเราเอาตัวเราไปเป็นสังขารด่ามันบ่อยๆมันก็ไม่กล้าเดี๋ยวไป หลงไอ้ตัวสังขารได้แม้แต่ละเอียดปานด่างไปยุ่งคิดไปดี้นหล่นไปค้นหาไปวิเคราะห์วิจารณวิจัยไปตึกเวตองไปไข้ควนไปประมวลผลอะไรต่างๆ ท, ท, ที่มันสังขารปรงแต่งได้ไม่ยึดออกมาเป็นเราตัวเราตัวตัวน้วองลอยต่อไปเลยมันก็เลยสิ้นสังขารก็เลยมีใจที่มั่นคงมีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่ท่านกล่าวไว้ดังนัก็เลยกลายเป็นว่าพอพระองค์เข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ย ที่มีรูปพุธเจ้าวปางปฐมเทศนาเนี่ยเกาะเกี่ยวกันดได้มือสองข้างความมือหนึ่งความกวาดตัวมือหนึ่งแล้วก็ประหัดข้างหนึ่งก็ข้างซ้ายความกวาดตัวประหข้างขวาก็ผักออกนอกตัวและสองมือเนี่ยสองปรหัดที่กเกี่ยวกันเนกาะเกี่ยวกันใน้ดิ้วกันก็เกิดกาๆหมายถึงว่าใจมาเกาะเกี่ยวที่ใจเพราะวงรู้เท่าทันอย่างเนี้ยไม่ให้ติดไปในสองฝั่งทงั้งรักทั้งช่างแต่ถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติ ในขั้นแรกที่พระองค์กล่าวคือไม่ให้ติดไปในทางที่พวพันหมกมุ่นในกามคือการมาสุขหรือการนโยโยพออัตตะกิลาบทานนโยโคือในขั aches, ้นแรกคืออย่าไปหลงเอาไปที่มันประพฤติปฏิบัติที่ลําบากเหมือนพวกฤาษีสมัยนั้นคืออ่ทั้งไม่กินไม่กินไม่ไม่ไม่ไม่กินน่ะไม่กินข้าวไม่กินน้ Expect ําไม่ก um ินลมหายใจจนผ่ายพอมจนพระองค์จะเกือบสิ้นชีวิตเนีั่นแหละก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้พระองค์ลองมาแล้วทางสองทางเนี่ย <Lewis> <kendi> คือสุดโต่งไปทั้งเนี่ยพัวพันไปให้มีแบบว่ามีกิเลสเนี่ยให้มันเบื่อไปเลยพวกมีผู้หญิงมากเลยมีนางสนมมากมายที่พ่อหามาบำเรอไว้ให้เพราะว่าอยากให้ลูกชายไปบวชเพราะว่าอ่ที่มีตอนเกิดมาที่มีผู้มาทำนายว่าถ้าหากไม่ไม่ออกบวชจะเป็นพระมหาจากักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคองแผ่นดินโดยทําจดแวลนหมาสมุทรทั้งสี่ ถ้าหาออกบวชจะตระเลตุตเจ้าเลยพ่อไม่อยากให้บวชก็เลยหาผู้หญิงมาปนเปื้คิดว่าถ้ามันที่สุดของปอนเปื้อะไรไม่เท่ากามนะแต่เสพกามอย่างไงที่สุดแล้วมันไม่ไม่สามารถพ้นทุกได้ไม่ไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกได้ท่านบอกว่าจะกะไปเสพนจนเบื่อเลยไม่มีทางเบื่อได้ไม่มีจะไปพ้นทุกพะเสพจนให้มันเบื่อมันไม่เบื่อ มันก็จะมีแต่มากขึ้นมากขึ้นจะไปตรงกันข้ามคือไม่เสพอะไรเลยแม้แต่ที่สุดแล้วไม่ไม่เสพข้าวคือไม่กินข้าวไม่กินน้ำแล้วไม่กินลมหายใจก็ไม่ไม่พ้นสามารถพ้นทุกได้คือไปที่สุดของกามก็ไม่พ้นทุกตัดกามออกทั้งหมดโดยที่ไม่มองไม่ดูไม่ฟังไม่ดมไม่กิน ไม่ไม่ลิ้มรสไม่สัมผัสแล้วก็ไม่คิดไม่นึกอะไรทั้งหมดเลยคือไม่ให้มันตัดมันหมดเลยอะไม่เสพอะไรเลยไม่เสพอะไรเลยคือไปปิดกั้นหมดเลยตะากฏที่นิ่งไว้ไปเข้าอรูปฌานจนกระทั่งไม่หายใจเลยขาดทั้งห้าไม่ทํางานแต่ไม่ถึงแก่ความตายเพราะว่าเข้าชานฤสีจนถึงขั้นสัญญาณเวทีจิตนิโรธ มีสัญญามีเวทนาก็ไม่อา่านอาวัชัยได้ดับสนิทไปที่ว่าไปเข้าฌานที่ฌานที่แปดจะเข้าสัญญาเวทีนิโรธของฌานฤศีไม่สามารถพ้นทุกข์ได้คือปิดกันทั้งหมดเลยดับทั้งหมดก็ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ที่สุดเข้าถึงสัญญาเวทีนิโรธไม่อาจเคลื่อนไหวเลยได้ทั้งกายและใจก็ไม่อาจาที่จะพ้นทุกข์ได้พวกลองมณฑลแล้วว่าสองฝั่งเนี่ยไม่จะตามบรตทุกการระสุ ข, ขันและกันโยกอัตกระมาฐานโยก แล้วก็ทั้งความพอใจและความไม่พอใจทั้งความยินดีและความยินล้ลยไม่ไม่อาจที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้ถ้าเพลินไปสองฝั่งนี้มัชชิมาปฏิปทาด้วยอริยมรรคในองค์แปคือเข้าถึงใจที่ไม่ไม่มีความเพลินไปทั้งสองฝั่งเข้าทวนกระแสเข้าหาใจผู้รู้จึงพบใจทบใจที่สิ้นความหลงยึดมั่นถือมัน่นพระองค์ก็เลย เอพูดตรงนี้เราจะมหเดชธรรมจากวรสุดและอนัตตลกันนาสุรคือพระองค์ก็เลยปล่อยวางมือซ้ายที่เกาะเกี่ยวมือหนึ่งมาถึงเดิมเนี่ยมันเกาะเกี่ยวกันเป็นปางของตัวปรศนาสองมือเนี่ยความก่าหาตัวเองมือหนึ่งแล้วก็ผลออกนอกตัวเองมือหนึ่งสองมือนี่เกี่ยวกันพลาสต์สองข้างเนี่ยเกาะเกี่ยวกันแล้วก็วางพลาสต์ตะข้างหนึ่งข้างซ้ายลงเหลือมือข้างขวาข้างเดียวปางโอเคปางโอเคก็คือมาสอนเรื่อง นัตตลกขัสูตรต่อว่าเมื่อไม่เกาะเกี่ยวกันแล้วก็จะเหลือมือข้างหนึ่ง ใ, ให้เห็นว่าเห็นว่าอะไรพระเจ้าสอนาานัตตลกขัาสูตรว่านิ้วห้านิ้วเนี่ยนิ้วห้านิ้วเนี่ยปังโอเคเนี่ยห้านิ้วก็คือเทียบได้กับขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิ้วห้านิ้วเนี่ยเทียบเปรียบได้กับขันห้าคือร่างกายจิตใจของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือร่างกายจิตใจของเราเนี่ย เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเป็นนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยสามนิ้วชี้ขึ้นเป็นไตรลักษณ์เป็นไตรลักษณ์ไม่อาจเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นที่ขังทุกไม่อยาจทนอยู่สภาพเดิมได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องแตกดาผุพังสลายไปเป็นอนัตตาไม่มีไม่ใช่มีไม่มีสาระแก่นสารไม่มีก้อนไม่มีแก่นไม่มี ตัวเราเป็นก้อนเป็นแก่นเป็นตัวตนของเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเมื่อเห็นความจริงอย่างนี้ใจก็สิ้นความหลงยึดมั่นในขันห้าว่าเนี่ยขันห้าคือนิ้วห้านิ้วเนี่ยสิ้นความหลงยึดมั่นในขันนาเพราะเห็นว่าเป็นไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาเดิมว่ากลางนิ้วมาห้านิ้วก่อนแล้วจีบไปสองนิ้วคือนิ้วชี้กับนิ้วโปแล้วก็เหลือสามนิ้วนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยสามนิ้วชูขึ้น ก็คือเห็นขันห้าเนี่ยเดิมชูขึ้นห้านิ้วแล้วก็จีบไปสนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วโป้ก็เหลือสามนิ้วนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเห็นว่าเป็นไตลักขันห้าเนี่ยเป็นไตลักอันนี้จังทุกขั้งอลัสตาไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ก็ปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นในขันห้าก็เข้าถึงเนี่ยใจที่ว่างเปล่าคือนิ้วชี้กับนิ้วโป้จีบกันเป็นวงกลมนี่เรียกว่าใจที่ว่างเปล่าเข้าถึงใจที่ว่างเปล่า สังเกตไหมปางโอเคเนี่ยไม่ได้ยกไว้ตลอดไปแต่พอพระุทธเจ้าตรัสรู้ปางอะไรปางสมาธิวางมือสองข้างลงบนตักทําไมจึงต้องวางมือข้างขวาลงอีกข้างหนึ่งที่ปางโอเคเพราะอะไรเมื่อพบความจริงแล้วว่าขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้มา พอปล่อยวางขันห้าหมดก็มาพบใจที่ว่างเปล่าเนี่ยเป็นตามโอเคนิวที่กับนิโปจีบกันเป็นวงกลมพวกก็มายึดทั้งใจที่ว่างเปล่าแล้วมายึดขันห้ารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วก็วางลงวางลงไม่ใช่ว่าวางแบบโง่โงที่ไม่รู้อะไรเหมือนคนทั้งหลายก็ปล่อยวางหมดน้องตาอาจารย์สอนให้วางก็วางหมดเลยวางแบบวางแบบโง่โงไม่รู้อะไรเลยคือมันวางเพราะความรู้และบรู้แจ้งแล้วทั้งใจที่สิ้นความลงยึดมั่นถือมั่นใจที่ว่างเปล่าและขันห้า มันรู้แจ้งหมดแล้วแล้วก็รู้แจ้งแล้วมันก็มายึดมายึดเพราะว่าใจของตัวเองเป็นเองแล้วมายึดอะไรก็สิ้นยึดก็เลยมือขวาปางโอเคก็วางลงที่หน้าตักก็เป็นที่มาที่ว่าเมื่อพบคำภีแล้วคำภีนั้นก็อ่านจนรู้แจ้งถึงใจแล้วแล้วยายต้องแบกคำภีไปแล้วก็วางควมภีนั้น ไว้ให้คนอื่นได้สึบตานเรียนรู้ทําความเข้าใจไปแต่ตัวเองก็วางหมดไม่แบกคําพีไปแล้วเลยเป็นที่มาของเนี่ยหน้าปกหนังสือจบสัทีกับหลังปกหนังสือจบสถีนี่เห็นไหมเนี่เลยเป็นที่มาของเนี่ยหน้าปกหนังสือจบสัทีมีรูปวงกลมสีขาว มีล่างคนเดินเข้าไปในวงกลมแล้วก็มีเงาพาดเห็นไหมเขาเนอ่ยจะเอาขันห้าคือร่างกายแล้วก็เอาเงาเงาคืออาการของใจก็คือเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณคือเงาของร่างกายเปรียบเหมือนเงาของร่างกายหรือเงาของจิตคือเอานามขันรูปขันกับนามขันเนี่ยไปแสวงหาทางพันธิพันธ์ไปแสวงหาพันธิพันธ์ เมื่อเขาเข้าใจจะแล้วว่าพระนิพพานมันอยู่ที่ใจที่สิ้นยึดนี่ไงเขาก็เลยสิ้นยึดขันห้าคือทั้งรูปทั้งนามที่เป็นร่างกายแล้วก็เป็นเงาที่ทอดเนี่ยมันก็หายไปก็เลยเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่านี่ตัวเป็นปกหลังเป็มีหมาของปกหลังใจที่ว่างเปล่าแล้วเมื่อท่านพบใจที่ว่างเปล่าแล้วไม่มีใครต้องแบกหนังสืออันนี้ตลอดไป ที่สุดแล้วทุกคนพบใจที่วางป่าแล้วเขาจบแล้วเขาก็วางหนังสือไว้ให้คนอื่นเอาไปพบต่อไปตัวเขาก็จากไปโดยไม่แบกอะไรไปเลยละเอียดไหมอย่างเงี้ยยังสงสัยอะไรอีกไหมเพิ่งบอกว่าเขียนเท่าไหร่ไม่เท่ามามาหาแล้วมารู้ได้ใจกลับกับอีกนิดหนึ่งครับหลงตาก็คือปล่อยวางกายเนี่ย คือพิจารณาอสุภะเป็นอุบายธรรมนะคะหลวงตาแต่ทีเนี้ยที่หลวงตาบอกว่าปล่อยวางใจสิ่งแรกที่ผมเห็นปัญหาคือหลายคนจะยังไม่เห็นใจแล้วยิ่งที่หลวงตาบอกปล่อยวางใจผมว่ามันเป็นสิ่งที่ยากก็คือจะทํำยังไงจะมีอุบายธรรมยังไงให้ปล่อยวางใจได้ไหมครัหลวงตาบอกเมตาด้วยครับคือมันเห็นสังขารที่ไปยึดตั้งแต่หยาบมาถึงท่านกลางถึงขั้นละเอียดเลย ก็ถึงข้นมาถึงขั้นภายในใจมันชุกยิบชุกยิบชุกยิบชุกยิกยุกกยิุกทุกขนาปัจจุบันในใจมีอาการสังขารชุกยิกจุกยิบชุกยิุกยทุกขนาปัจจุบันโดยที่ไม่มีเจตนาจะคิดจะนึกจะตึกจะตอนจะปรุงแต่งถ้ามีเจตนาที่จะดิ้นหลนค้นหามันยังเป็นกิเลสอยู่อันนี้ไม่ได้เป็นกิเลสนะเพราะว่ามันไม่ได้มีเจตนาจะไปดิ้นหล่นไปค้นหาไปพยายามไปยึดอะไรแต่ตรงนี้ขอเน้นว่ามันไม่มีกิเลสนะ คือไม่มีกิเลสที่ที่จะอดิตหลนแล้วไม่มีกิเลสไปอดี้หลนค้นหาอะไรที่เป็นเจ็บแบแล้วเอแต่จริงๆมันมีกิเลสแอแฝงคืออยากได้พระนิพพานอยู่จมีอยู่ลึกๆในใจมันจะอ่าจใจเด็กไม่ขาดแต่แอย่างอื่นนะมันก็ไม่ยึดแล้วไ ม, ม่ยึดจะเป็นทุกข์วุ่นวายแล้ะมันก็ค่อยๆเห็นข้างในใจเราเนี่ยที่ไม่ดิตหลนปรุงแต่งส่งจิตออกไปข้างนอก มันก็มีอาการกก จ, จูกกอยู่ในใจตลอดเวลาเลยแต่ไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครไปพยายามไปดูไปรู้ไปละไปปล่อยไปวางคือจิตที่มันปรุงแต่งมันคงปรุงแต่งของมันเองเกิดเองดับเองส่วนไอ้ไอ้ผู้ที่รู้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดมันไม่ได้แพยายามมาดูมารู้มาเห็นมันเป็นมันปล่อยให้จิตเนี่ยมันปรุงแต่งเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองส่วนในใจเนี่ย ซึ่งเป็นธาตุรู้หรือเป็นวิญญาณธาตุไม่มีตัวตนไม่มีกิริยาการ ใ, ใดๆมันจึงไม่มีการเจตนาที่จะไปดูไปรู้ไปเห็นไปละไปปล่อยไปวางเพราะว่าถ้ามันมีเจตนาไปดูไปรู้ไปเห็นไปเพ่งไปจ้องไปพยายามละพยายามปล่อยพยายามวางพยายามทำความเข้าใจอันเนี้มันจะไม่เป็นใจไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณธาตุหรือจะเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติเพราะว่ามันจะเป็นความปรุงแต่งอยู่ดังนั้นเนี่ยมันจะเข้าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งได้คือมันจะต้องผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้เพ่งผู้จ้อง ผู้แสดงกิริยาการผู้พยายามหาวิเคราะห์หาความเข้าใจผู้พยายามรู้ละปล่อยวางที่เป็นตัวปรุงแต่งมันจะต้องถูกวางขาดแล้วรู้รู้เท่าทันเห็นหมดแล้วก็ถูกวางขาดไปหมดแล้วทุกขณะปัจจุบันถูกมันมันมันเอาตัวเราไปปรุงแต่งเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้เพ่งผู้จ้องผู้ทําความเข้าใจผู้พยายามรู้ละปล่อยวางเราเห็นขาดหมดเลยจนกระทั่งทุกขณะปัจจุบันมาปรุงให้ขึ้นมาก็วางไปหมดเมื่อวางหมดแล้วจึงเห็นว่า แม้แต่วางผู้ดูผู้รู้ผู้เพ่งผู้จ้องผู้แสดงกิริยาการดิ้นรนค้นหาผู้พยายามหาถูกหาผิดหาความเข้าใจวิเคราะห์วิจารณวิจัยไปคอยดูคอยรู้คอยเพ่งคอยจ้องคอยทำความเข้าใจไว้มันถูกวางหมดแล้วมันเลยในใจเลยขาดการปรุงแต่งใดๆทั้งหมดมันเลยเห็นมันมีความแม้แต่ขาดการปรุงแต่งใดๆทั้งหมดแล้วในใจคือใจอ่ะขาดไปเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เพ่งผู้จ้องผู้แสดงกิริยาการใดๆแล้ว แต่แม้แต่ตัวเราไปแสดงกิริยาการไม่มีแล้วแต่ในใจยังมีอาการจุ๊กจ๊กจุ๊จ๊กจุ๊จ๊กเนี่ยเป็นไปตามขันห้าแท้ๆเป็นกิริยาการของขันห้าแท้ๆก็เห็นว่าไม่มีใครมายึดถือขันห้านั้นไม่มีใครมายึดถือขันห้านั้นมันก็เลยเป็นใจที่ว่างเปล่าพอเป็นใจที่ว่างมันก็พบใจที่ว่างเปล่าใจที่ว่างเปล่าขันห้าก็คง ม, มีอยู่แต่ใจก็ว่างเปล่าอยู่ นี่พอพบใจที่ว่างเปล่าเนี่ยบางท่านเนี่ยขันกลับเอาขันห้าเนี่ยด้วยความไม่รู้เท่าทันเอาขันห้าเอาตัวเราไปปรุงแต่งเป็นขันหน้าเอาขันหน้าปรุงแต่งตัวเรากลับมากระโดดขวายึดจับใจที่ว่างเปล่าไว้แท้จริงอ่ะทั้งใจที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรยึดได้ทั้งหลงเอาขันห้าที่เป็นตัวปรุงแต่งย้อนกลับมากระโดดมาจับมางับใจที่ว่างเปล่าไว้อยากจะให้มันว่างเปล่าไันตลอดไปความไม่รู้นี่เอาวิชา มันจะต้องเห็นด้วยใจของเราในสติปัญญาของเจ้าตัวว่าอ้าวอันนี้เมื่อเมื่อใจมันมันไปถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วไงายมันยังย้อนกลับเอาขันห้าที่เป็นตัวปรุงแต่งมายึดใจที่ไม่ปรุงแต่งอีกแล้วเนี่ยเมื่อมันเห็นอย่างเงี้ยเห็นได้รอบอย่างเนี้ยมันก็เคยสิ้นยึดไปเลยสิ้นยึดเลยก็เหลือแต่ความปรุงแต่งปรุงแต่งอยู่ในใจที่ไม่ปรุงแต่งโดยไม่มีผู้ยึดถือยึดไม่มีผู้ยึดมั่งถือมันเรียกว่าปล่อยวางทั้ง ขันห้าและปล่อยวางทั้งใจเรียกว่าปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้และปล่อยวางทั้งใจผู้รู้ไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นสิ้นผู้เสวยมันต้องเห็นเองด้วยใจมันเจ้าตัวนั่นที่พูดเนี่ยไม่มีใครช่วยใครได้ตาได้แบบว่าชี้จี้เป็นขณะดขนาดแต่เห็นต้องเห็นเอง